มีการปฏิบัติธรรมของส่านทงหลายมุงไม้ก็เข้าถึงพุทธธรรมนำตนเข้าถึงพุทธธรรมให้เป็นกิจกรรมและพฤติกรรมแสดงออกบอกเป็นพฤติไงนนของชีวิตเป็นข้อคิดของกรรมาฐานในโอกาสแบบนี้นั้น เราท่านทั้งหลายก็อาจจะซึ้งใจได้บาปทราบถึงคุณธรรมและซึ้งใจถึงพุทธธรรมอาจจะเข้าถึงพุท ธ, ธะความลดละในชีวิตอา จ, จเป็นข้อคิดของผู้แสวงบุญที่เรามานี้ไม่ใช่มาสร้างบาปมาสร้างบุญเราู้ถึงความดี อย่าระลึกถึงความชั่วแต่ประการใดเลยเดี๋ยวความดีท่านจะหมดไปการปฏิบัติกรรมาฐานก็ต้องระ ล, ลึกถึงบุญระ ล, ลึกถึงคุณและประโยชน์ที่ไม่มีทงโในตัวเองเพราะฉะนั้นเราทําบุญถึงฐานก็ระลึกถึงบุญต้องการให้เรามีความสุขความเจริญเครื่อง ล, ลึกอะไรลังลึกความดี การเจริญกรรมาฐานเพื่อตั้งไว้ซึ่งความดีต้องการให้เรามีปัญญาแต่เป็นสิงาคิดได้บางคนระลึกแต่ความชั่วแล้วเหมือนเราจะทําบุญทาทานพระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงความดีนะคุณตาคุณน่าคุณย่าคุณลุงคุณพี่คุณน้องระ ล, ลึกถึงความดีที่ทําไว้เชิด ความดีจะประเสริฐอยู่ในจิตใจอย่าไปนึกถึงความชั่วเลยการปฏิบัติกรรมฐ า, านนั้นเพื่อระลึกถึงความดีเพื่อต้องการบุญต้องการให้ครอบครัวเรามีความสุขความเจริญอย่าไปนึกความชั่วอย่าไปนึกความไม่ดีมาไว้ในจิตใจเลยการปฏิบัติกรรมฐ า, านต้องการลึกถึงบุญเหมือนท่านทาบุญบ้าน ทำบุญเลื่อนทำบุญให้พ่อแม่ทำบุญให้คุณแก่คุณย่าคุณยายก็มึ่งชิงความดีได้ไหมว่าพ่อแม่ได้เลี้ยงเรามาเป็นเนื้อหนังบางครังเนื้อหนังของพ่อแม่ทั้งนั้นควรจะสร้างความดีได้แล้วที่น้องที่หลักโปรดพิจารณาให้มากเราก็ปูนชนีแล้วเป็นผู้นํา ผู้นำที่สำนักงานแต่ต้องมาเป็นผู้ตามที่นถึงจะถูกต้องเป็นผู้นำที่ดีต้องตามเขาได้ถ้าผู้นำที่ไม่ดีตามใครไม่ได้เอาแต่ น, นำแต่ไม่ตามได้นี่ฮะไม่เห็นนึกถึงความดีแต่ประการใดเลยผู้ดีมีปัญญาเหมือนเราทำบุญบ้างพระเป็นจะสอนโยมเรื่องนึกถึงความดีไว้นะคือบุญ ความดีเนะี่ยคือความสุขบุญนะ่ยคือความสุขรวมึกถึงความไม่ดีคือความทุกข์มันทุกข์ระทรมผมคืนคืนก็จะอมหรือยอมผมก็จะเกินเช่นนี้ยอมจะได้จากความทุกข์เหลือล้อในอนาคตถึงลูกหลานคงโดน ด, วด้วยนี่เหตุผลทําบุญก็ไม่ถึงความดีดีว่ามาวานี้ได้ทําความดีเดือนก่อนได้ถอดกระถิ่นผอบป่า เดือนโน้นได้ไปช่วยทุนเสริมสมองเด็กวันนั้นได้ไปช่วยโรงเรียนโน้นโรงเรียนนี้วันนั้นได้เป็นวิทยากรวันนั้นได้ไปสอนลูกหลานให้เข้าถึงคุณธรรมนี่นึกเมื่อใดชื่นใจคือความดีคือความสุขเราไม่มีดีเลยแล้วนึกแต่ความชั่วเช่นนี้ดังกล่าวมาความดีท่านจะหมดอะไรจะยากเหมือนความยากจะเกิดขึ้น ในอนาคตวันข้างหนา้าแน่นอนที่น้องเราจะตายจากกันไปในโอกาสหนาแล้วการจะไม่เอาดีไปบ้างหรือทิ้งความดีไว้ลูกหลานท่า น, นบังหรือเปลือกตาได้ขอฝากให้ท่านคิดในวันนี้โดยทั่วนาการอากาศสีสลัเวลาทางบ้านท่านมาแล้วไกลแสนจะไกลตมาคิดแล้วคิดอีอยู่ที่นก็ตั้งใจช่วยเหลือท่าน ไอ้ทัง้งหลายได้สร้างความดีมือถึงความดีที่มีอยู่ของพ่อแม่ที่ให้มาพ่อแม่เล่าก็ให้เนื้อหนังมางรั้งพอให้หัวใจแม่น้ำเลือดั้งเลือยงทั้งสองคนพ่อแม่กอบรองดองญาติพี่น้องเลี้ยงลูกรัก ล, ลูกมาเลี้ยงเราทุกคนไอ้มือสองเท้าสอ ง, สองหมองหนึ่งเป็นชื่อพึ่งมาแล้วให้ล้นลึกความดีอย่างนี้ มาเจริญกรรมาฐานเพื่อสร้างสติก็ลมึกความดีที่นี่อยู่เข้าไปเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดช่องให้มันถูกช่องถูกครูจะหน้าดูหน้าชมเหมือนเปิดทีวีไม่ถูกช่องมันมันจะหน้าดูหน้าชมภาพก็ไม่มาเสียงก็ไม่มาเช่นนี้นะอ่านจะได้ประโยชน์ตัวที่ผลปริการได้อตาต ม, มาหวนใจแทนท่านเหลือเกินขอฝากไว้นำะบัดนี้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 พนตำรวจเอกประเสริฐตูเตวงลูกหลานใจดอกเธอทั้งนะั้นชื่นใจก็เขาแลอเกเลี้ยงลูกก็โตปุ่กนก้อนโคก็ได้ลมบางบานเสียดใจด้วยเลี้ยงลูกโตมันต้นขาดมันมีหลักฐานแต่ประการใดพระพ่อแม่ระลึกแต่ความไม่ดีเช่นนี้นะ้นไหนเลยเล่าลูกแล้วลน่าจะดีได้ขอฝากท่านคิดนะไม่ได้วาท่านนะให้ท่านคิดนะตา ม, มาเนี่ย ขาความชั่วมากาก้าสารตัดชีวิตมามากมายหลายประการท้่เราไม่รู้นั่นเองลูกเราก็ไม่รู้เรารู้แล้วก็อย่าทํารู้แล้วฝ่าฝืนถือกรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าความผิดอย่างร้ายแรงความผิดที่ร้ายแรงคือรู้แล้วฝ่าฝืนถึงกรรมแปลว่าร้ายแรงมากเป็นทิฏกรรมในปัจจุบันนี้นะ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 ภาบยักนันหายไปฝืนใจได้ก็เป็นคนดีเป็นมนุษย์โสภาคือพระอภัยมณีเป่าปีเสียงเพราะเราจะเห็นได้ว่าพระเทศในชีวีบ้านบ้านก็ให้ปิดเขาจะออกตานั่นแหละเขามันฝืนใจไม่ไม่ได้เขาเป็นยักษ์นีแหละไม่ใช่เรื่องเหลวไหลที่สุนทรผู่ครูสุนทรผลสันแตงเรื่องพระอภัยมณีไหวตา ม, มาชื่นใจ คนไหนมีธรรมะฝืนใจได้เป็นพระอภัรให้อภัยโทษให้พยาทานได้มีมันมีแก้วอยู่ในดวงแก้วกล่าวแล้วในชีวิตนึกเงินไหลนองนึกทองไหลมาธรรมาฮักสิ่งก็มั่งมีสิสุขนี่คือระลึกความดีเช่นนี้นั้นขอเจริญพรที่น้องที่ละทั้งทั้งหลายเป็นอาคันตุกะวันก่อ น, อนบัดนี้เป็นญาของสมาแล้วต้องเตือนต้องสอนกันนะ เพราะว่าเด็กมิตรต้องเตือนเพราะฉะนั้นเราเตือนการเอาหลักเอาเงิอะไรที่ไห น, นมาพี่พน้องที่ลกเอ๋ยคนยากจนอย่าไปประมาทคนนะไม้ล้มค่อยข้ามคนล้มอย่าข้ามเลยอาตมาได้ประสบมาแล้วพี่น้องที่ลกคนล้มลงไปมันลุกได้เป็นเศรษฐีได้นะอย่าไปดูถูกมินประมาทคนจนขึ้นม่มีเงินมีทองเลย อตาตมาเสียใจแทนที่คนไล่คุณธรรมมีเงินเขาก็วันน้องมีทองเขาก็ว่าพี่ไม่มีเงินไม่มีทองที่น้องก็ไม่มีเช่นนี้น่ะนี่ไล้คุณธรรมเหลือเกินขาดปราชจากเมตตาไม่เหมือนพระอภัยมณีเลยขอฝากทั้ ง, งหลายไว้ไปคิดโดยทั่วนาการบูรชนี้ปานชนี้แล้ว เราก็เป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วต่อไปท่านจะเป็นคุณตาคุณยายครับคุณสู่คุณญาตจริงหรือไม่ไม่จริงก็ไม่ว่าอะไรกันเป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีท่านจะเป็นสู่เป็นญาติที่ดีของหลานเป็นตาคุณยายที่ดีของหลานจริงหรือไม่เปล่กันเลยไม่จริงก็ไม่ว่ากันชายก็ต้องจริงหญิงก็ต้องแท้นะเป็นคนแก่ที่น่าบูชา เปนชายไล่สาระไม่จริงเป็นหญิงก็ไม่แพ้คล้ายเป็นคณแก่ที่ไม่น่าบูชาไม่ไล่คุณธรรมเช่นนี้โรกหลานจะขลศนับถือประการใดขอฝากท่านใจคิดงานฐานะเป็นบนัณฑิตญาติของอาตมาในวันนี้อย่างจึ่งใจขอจเจริญพร อ, อย่างนั้นบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะขอฝากไว้อย่าข้ามกัน คนล้มคนลายคนเลวคนกินเหล้าเล่นากาพ น, นันมจนาจังหวะอาตมาไม่เคยว่าใครมีคนก็มาถามมาสมาล่วงขอครับผมกินเหล้าทั้งบาทดีไหมครลับดีจเจริญทรแล้วก็ผมกินเล่นหวยหมดนาไปสามแปลงนานอกขายแล้วอยู่แต่แถวนาห น, าน่อย่างนี้ดีไหมดีเจ้าค่ะไม่เป็นไรดีดีกินข้าวซะก่อน อิ่มนำซ้ำาลานแล้วก็คอยคุยคุยกันดีสําหรับโยมที่ชอบแต่ไม่ดีสําหรับอาตมาเป็นประสงค์องค์ฉีเช่นนี้เราก็แยกประเภทออกให้เขาฟังเขาก็จะขึ้นใจนอรุณกาก็ไปด่าดกินเหล้าไม่ดีเล่นการพนา น, นมาดีมันต้องดีใชไม่ดีเขาจะกินเหรอไม่ดีเขาจะเล่นเหรอ ก็นานนอกขายแล้วเหลือต้นแถวนานในยังดูอยูนในแถวเดียวดีจ้ะยมดีแปลงหมายเหตุท้ายไว้ว่าดีสําหรับโยมที่ชอบทั้งเสือทั้งเบียชอบกันทั้งบ้านเลยกินเหล้ากันทั้งบ้านมันก็ต้องดีสิทําไมดีโยอมก็มาก็เลิกคุยกันได้คนละช่องทีวีแล้วคนละเป๊กคนละสายเกินแล้วดีไม่ได้อย่างมันคนละช่องกัน ไอช่องของเรามันช่องก้าวช่องฟิเบ็กแต่ของโยมนั้นเขาช่องยี่สิบมันก็คนละช่องกันก็เป็นอะไรไปว่าขเขาทำไมเล่าไม่ต้องว่าเพราะทีวีคนละชอบก็ต่างคนต่างเปิดเอาเถอะนะประเสริดหรือไม่ประเสิดก็ไม่ว่ากาันขอเจริญพรให้แนวความคิดอย่าข้ามกันคนดีคนเอ้อมคนช่วยกันอย่างไร อาตมาได้ยจะเป็นเด็กมัธยมสามอย่าข้ามคนล้มอย่าไปขมคนรู้อย่าไปขู่คนกล้าอย่าไปท่าคนทานอย่าไปวานคนรักอย่าไปขายคนรักอย่าไปกักคนคนอย่าไปกักคนรีบอย่าไปบียดคนบอบอย่าไปชอบคนชั่วอย่าไปยั่วคนดีอย่าไปตีคนตายมีความหมายมานานแล้วณะบักนี้น่ะขอฝากให้ท่านคิดดูทั่วกัน นี่แหละไม่มีเงินมีทองพี่น้องก็ไม่มีเรายากจนเงินทองแต่ไม่ไม่จนคุณธรรมขอฝากไว้อย่าอย่าจนคุณธรรมทําไมถึงจนตอบทันทีว่ามันไม่มีทําไมไม่มีลนะตอบอีกทีเพราะไม่นไม่ทําทําไมไม่ได้ทํานี่ยเพราะมันขี้เกียจทําไมขี้เกียจเล่าเพราะมันจนจิตจนใจจนปัญญาจนไรความสามารถ จนนอกจนไหนจนหนอกจนไหนจนติดจนไกลตลอดกาลละมิละ่ะตอบอย่างที่ถ้ายอมผู้หญิงหึงผัวทาไมขึ้นหึงก็จะตอบไม่ได้ทำไมาจะตอบแทนทําไมขึ้นหึงแล้วยอมเพราะมันห่วงทําไมขึ้นหวงแล้วเพราะมันห่วงโยอมผู้ชายทําไมขึ้นห่วงนะกลับเพราะว่าตกขั้วลึกแล้วนี่ใช่หรือตอบให้มันเข้าสเปคหน่อยไม่ได้ อันนี้ ม, มีมีความหมายตอบมันนอกสเปกมันไม่เข้าเรื่องเข้าราวขอฝากไว้กินเหล้าดีไหยอมนดีไหมดีขอออมเฉียนกินเหล้าดีไหม ด, ดีไหมนี่นี่ฟังฟังฟังใจเส้นต่อไปกินเหล้าดีไหมของกินเหล้าจังลังขอให้กินเอ้กินเหล้าก็คนทั่วเลยเฮ้ยเฮ้ยผิดวัดผิดวัดผิดวัดมา ร้องพ่อผมกินลาวทางบานเมียผมก็กินโรคก็กินครับดีนะครับโอ้ดีดีดี ด, ด, ด, ดีเห็นด้วยเห็นด้วยเฮ้ยเฮยฮถูกกัดเยอะมากมากมากนี่คุยกันได้คุยกันได้อผมเล่นการทนั น, นทัางบานเลยครับเมียผมชอบเป็นหัวสามตัวนี่ถามจริงเหเนี่ยชอบเป็นหัวสาตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวเห็นหนอก่อนอ๋อไม่มีใครเล่นเลยดีมากนึกว่าเล่นพรุงนี้จะให้ อ, อไม่เล่นเล่นเลยก็ไม่ต้องหายไม่ต้องหายนะเพราะมาเล่นเล่นี่ขอฝากไตเต้นวิธีสอนไว้ได้วยขอฝากคณาจารย์ไว้ได้วยอย่าไปขัดคอครับคนไหนกินเหล้าดีไหมดีดีก่อนไปสอนชายแดนอย่าบอกกินเหล้าไมา่ดีเร่นการทหารไมด่ดียกขอขาดนะดีไหมเจ้าคะ่ะดีเจ้าค่าถ้าเป็นคืออาจารย์ผู้หญิงนะ เออมาเมาชอบเมาครูสอนเด็กยังไงเรื่องความจุนเล่าเนี่ยจะสอนยังไงดีมหมครับครูผู้หญิงก็ต้องบอกดีเจ้าค่ะแล้วปรต่องลงให้ใหญ่จังหวะดีเจ้าค่ะให้มันยิจังหวะถ้ายังไม่เข้าใจว่ายังไงเจ้าค่ะก็ฟังไว้อ๋อเข้าใจแล้วเจ้าค่ะให้มันจังหวะจากคนอยใหว่าไงว่าไง มันมีระบบเลยต้องมีระเบียบสินี่ยังมีแต่ตอนนี้เฮียพนี่นาฟังอย่าไปขไขคอเขาแต่เราสอนด้วยบัลลิกสอนให้เขาคิดสอนให้เขาได้แนวอย่าไปว่าเขาการสอนโลกสอนนักเรียนอย่าสอนด้วยการดา่าอย่าสอนด้วยการว่าต้องสอนแนะแนวให้ได้คิดให้ชีวิตปฏิบัติทำนี่อยู่ตรงนี้ขอฝากข้อเดยเทคนิคเอไม่ใี่ ฟ้าเฉียบม่ทีแล้วไม่เป็นชาเนี่ยฮนี่ในเรื่องมองนักปฏิบัติกรรมฐานเลิกเลยลาลงแน่ๆลาลยไม่เคยลาหนีลาลงใ น, ลล น, ลลนวัดนี้เจ๊งแน่ๆมีไม้ถ้าไตรปโฎกแปดหมื่นสี่พันพระตรรมขันธ์กนโลบายการสอนพุทาวยอดให้โลกไม่นีรดาและไม่ว่าและไม่เสียสีใครเลยนี่เหตุผลแต่พูดให้เด็กคิดพูดให้เขามีปัญญาพูดให้เขามีแนว พูดให้เขาเดินทางด้วยความถูกต้งนี่ถึงจะถูกวิธีการโอนโบายการสอนขอฝากไว้อย่างนั้นีน่ืระมานเนี่ยมีเยอะมาเมาต้องพ่อสค่บ้านผมกินนี่ผมเอามาเครื่องขวดกินได้ไหมตรงนี้ได้ให้สิไม่มีห้ากินเข้าไปไม่เป็นอะไรละเออ วัดนี้ดีอยู่ไหมไปวัดโน้นมาหาเล่าไปพระด่าเลยไม่โยอมบ้าบอเอาเหล่ามากินด่าไม่อยากอย่าด่าด่าแพ้่นะด่าแพ้่นะโทดให้มันดีๆเข้าใจง่ายฟังฟังเทคนิคฟังเทคนิคพูดร้ายเข้าใจยากเข้าใจนะคะพทษ ด, ดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากนั่งกรรมาฐานจะรู้เอง ขอถามจริงๆฮะโยมผู้หญิงที่อยู่ที่เนี่ยเอาพานจริงมาพูดกันเคยทะเลาะภาษามาอีองไหมเคยมาไม่ถามจริงๆฮะไม่เคยเลยอย่างแหมสาทุแหมดีมากดีมากแหมไม่มีคู่ไหนเลยนี่จะเข้าทะเลาะกันขนาดแหมดีมากไม่เคยทะเลาะกันแต่ก็ด่ากันใช่ไหมโอ้ดีมากคุณ ด, ด, ดีดีจริงๆ มีเหตุผลนะการการแนะแนวแนะแนวต้องมีเทคนิคมันไม่ใช่ไปว่าเขาสอนลูกก็อย่าไปด่าด้วยสอนด้วยใช่ไ่ได้แม่สา ก, กับลูกเสือวยโทสะตีลกูกเช่นนี้ไล่สาระขาดเหตุผลของท่านผู้ใหญ่วางฝากเขดกต้องพูดให้มันเพราะแล้วพูดต้องยิ้มเี่ยอย่าหน้าบึ้งขึงจ่อลงกระหมหลกคืดหัดคืดหัดเน นี่ยาการเจเลงกรรมฐานทําให้เรารู้อะไรได้ แ, แปลกๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนมนันจะรู้ขึ้นมาเอาเรื่องเก่ามารู้กันไม่ใช่เรื่องใหม่กะยุกขึ้นมาไม่ใช่สิกรรมฐานเนี่ยสาโกนิยมเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังทั้งสว่างเลยในค่ําคืนวันนี้ถ้าถ้านั่งฟังนะทําไม่นั่งฟังก็ไม่ว่า ก, กานันนะเพราะแหม่เนี่ยพูดยากนะออราคาหลายนะวิชคาตาเนี้่ะ ออกขงวนหรือกระสิตามพระราชบัญญัติเหมือนกันเราหาว่าไม่เข้าท่านะ่ยนี่เหตุผลจะฟังเหตุผลกันนะพ่อตื่นยามนี้ด้วยไ้ยลิ้มลูกเดียวพูดเพราะลูกเดียวเสียด่ที่เหตุผลที่เราจะฟังมาต่อไปนั้นเพราะวันนี้วันพรุ่งนี้เนะี่ยมีรายการมหาวิายทยาลัยสุขุชัด จะมาถ่ายทำทีวีเป็นวิชาการออกการสอนโรงเรียนทัวเลยนะจ๊ะเขาบอกแนวมาแล้วหนึ่งจริยธรรมกับโรงเรียนนะเดี๋ยวฟังแนวไว้ก่อนนะจะได้ตอบให้มันถูกนะเดีวเอาเอาตอบตั้ตงแต่หน้าปกเลยใช่ไหมไม่ใช่ตอบกลางๆเรื่องนะมันจะผิดระบบเอาลกลางเรื่องมาตอบไม่ไดต้องเอาตั้งแต่เรื่องอะไรลงมานะ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 ใครเป็นตัวจอกใครเป็นตัวโกงใครเป็นพเพลดิดเสลีเขีนโยมิเชียนเป็นพเพลิเสลีก็ต้องบอกเลยโยมิเชียนอาธิบดีเปเลดิดเสลีออนิลันเป็นอะไรผู้กำกับการแสดงแน่แสดงอะไรนะขอะอเสนียมก็ก็จะบอกว่าแสดงเรื่องนะั้นเรื่องนี้ฮแล้วคุณประพัดแสงดา เขาก็จะประสานงานว่านี่เรีดแต่งตัวได้รีดแต่งตัวคุณพระก็บอกคนนี้แต่งตัวได้คนนี้แต่งตัวได้เล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าระวังนะพุ่งกับการแสดงมาอยู่จะโปไม่อยู่นะลิเกมันเล่นผิดเรื่องได้ตรงนี้ลิเกเล่นผิดเรื่องได้อาตมาไปประเทศอินเดียไปตะทุมพุษษทธศาสนิพันธ์แ่งโลกสั่งแล้วเล่นอย่างทั้งทองนะ กลับมาทางวัดเล่นเรื่องลักษณะโบสถข้าพรามเกยสอนตายเลยนี่มันผิดเรื่องตรงนี้ต้องป ก, บ ก, บกับการแสดงโดยใกล้ชิดข่าวสันทั้งหลายเป็นแม่ทับต้องเคลียร์พื้นที่โดยใกล้ชิดของกองทัพหมายถ้าเลี้ยวรถผิดนะขอฝากท่านผู้บริหารไว้ด้วยเป็นข้อคิดเหมือนกันต่อมาไปมีพระอยู่ห้าองค์ฝึกวิทยาเก่งฝึกเก่งที่สุดรับรององค์นี้ของเราแจวนะ สั่งแล้วเาสั่งอีกองค์นี้ทําหน้าที่นั้นหน้าที่นั้นแจกงานแต่วัดนี้แจกงานไม่ใหญ่เหมือนราชการมันมีเงินเดือนวัดไม่มีเงินเดือนให้เขาแจกงานไม่ใหญ่ทำด้วยศรัทธาถ้าเขาไม่มีศรัทธาตับเรามาเลยเขาก็ไปมา น, นั้นเทิ้งงานทันทีอย่าลืมไม่ใช่ระบบแจกงานอยือนท่านทั้งหลายเราจะพูดแจกงานกรมประชาคมการกรมสื่อสารกรมสายงานกรนมพลังงานสระที่เกลียวเข้าคุณเดียวทาได้นี่วัดต้องทําได้หมด พอไปกลับมาเนี่ยหมดเลยเครื่องพิมพ์ก็หายเลขาก็เขาเช่าไปห้าองค์ไม่มีเหลือเลยให้เล่นลาสังทองพาเรี่อเรื่องลักษนาวงเลยกลับมาห้าองค์ไม่มีอยู่มาเจอองค์เดียวไปไหนไปไหนยู้ไหมขออธิยมไปไหนรู้ไหมขออเมไไหหมขาเช่าไปเฝ้าบ้านหมด <c oughs> สอนเจ้าโผล่อยู่ไม่มาเช่านี่มันผิดเรื่องอย่างนี้ เนี่ยบางคนก็ไม่ทรอาดมันมีความพรเจ้าหนี้เหล่านี้แต่ปฏิการได้เนี่ขอฝากใจเจ้าของเลือดพุ่งกับการแสดงนี่มีความหมายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นก็จะพูดแนวนี้ก่อนว่าจริยธรรมกับโรงเรียนเข้าตรงไหนก่อนชั้นประถมก็จะเข้าตรงไหนก่อนแะหลักสูตรนี่เขาจะาไปทําหลักสูตรนะจะเข้าตรงไหนก่อนเด็กชั้นประถมยันเด็กเล็กมันจะลูกคุณธรรมทางพุทธศาสนาตรงไหนเริ่มต้นก่อนเป็นอันดับต้น ขอทั้งเตรียมตัวทุกคนพรุ่งนี้สอบทีวีเขาต้องสัมภาษณ์ทุกคนนะเอาแน่แน่แนไปยังบเลยอย่างคืนนี้เห็นจะนอนไม่หลับมะ้วิธีที่สองจริยาาร์ธรรมของมัธยมศึกษาเขาต้องถามค้าพวกคณาจารย์ทั้งนั้น ท่านอาจาย์ในระดับด็อกเตอร์เช่นนั้นก็ต้องถามได้ทุกระดับผสมมผสานนี่มันเป็นภาพบังคับเรียกว่ามนุษย์สมบัติต้องเป็นมนุษย์บะผ้าบังคับแต่สวรรค์นี่พานนั่นไม่บังคับแล้วแต่สัจชาจะไปได้ถ้าใครทําก็ไปได้ใครไม่ปฏิบัติก็ไปไม่ได้มันก็มีความหมายอย่างนี้เป็นต้นนี่เหตุผลเพราะนั้นก็ขอเนี่ยแนวสั้นๆนะระหว่าหลักสูตรนี่ต้องใช้ยาว แนแนว่าปผสมมาศึกษานี่อย่าลืมเอาเด็กให้เห็นทั้งโลกประทามน่ะมาทำก่อนให้ด่าโลกประทามคืออาศะสนาพิชีนะตั้งต้อมอตั้งอะไรให้เด็กมันเห็นนี่เขาทาอย่างนี้เด็กมันเห็นแล้วมันจําได้แมนดีกับคนโตๆคนแก่ๆอีกบ้านหนึ่งเขาตั้งสนาพิชีนะเด็กตายขวบแล้วนีะเดินต้อยๆมานี่แม่ตั้เพชรตั้งเพชรนี่เห็นไหมเด็กคนนี้ไปกับแม่เขา ไปบ้านหนึ่งเขาตั้งโต๊หมูบูชาเขาเอาไว้ดอกไม้ไว้ข้างล่างแล้วผานเด็ดตาทัพมันจําแม่นจ้งบอกแม่ที่บ้านเราไมไ่ตั้งอย่างนี้นะที่บ้านเราต้องเอาแกจกันไว้ข้างบนนะนี่เห็นไหมเด็ดเด็ดนี่เด็ดเด็ดศาสนาพิธีอย่าลืมนะขอฝากท่านหลายไว้ด้วยต้องรู้นะนี่ประถมศึกษาขั้นตน้นต้องรู้ศาสนาพิธีการตั้งโต๊หมูบูชาพระให้เด็ดจํา แล้วการจะพูดจาพาทีกับพระการสะเทินพระการอะไระอะไรนี่เอาสารนัพิธีก่อนนี่ระเบียบของจริยธรรมกับโรงเรียนชั้นปัผมถ้าท่านทําได้อย่างนี้เรียบร้อยโรงเรียนท่านจะเรียบร้อยหมดทุกคนทาได้หมดทุกคนน่บางทีเนี่ยอาตมาไปเนี่ยบางงานเนี่ยคนแก่ใช่งไหมบอกว่าเอาเรื่องพิธีได้ทีิธกรหาคนรัตน์นาศิลไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะ เพรนั้นขอฝากผสมศึกษาด้วยตรงนี้สําคัญนะตรงนี้เสียเลยใช่ไหาฝรั ง, งเข้ามาเสียเลยนี่คนไทยเนี่ยหาคนละธนาถิ่นไม่ได้เลยนะวันนั้นก็สมาไปบ้านบ้านหนึ่งคนแก่เยอะบ้านมีเกียรติ่นด้วยระดับผู้ใหญ่ด้วยระดับประหลัดจังหวัดเป็นประธานด้วยประลัดจังหวัดก็ลัธนาถิ่นไม่ได้เหมือนกันแง่ดีนี่ผสมศึกษาต้องเอาภาพบรรทับนี้ก่อนที่กริยธรรมกับโรงเรียน สำคัญที่สุดนะคืขอข้อนี้แล้วทีนี้ตัง้งโต๊ะโม้สวยเลยไอ้คนตั้งก็สวยเลยคนตั้งก็ไปเสีอีกเขาไม่ว่ามาอยู่ไปพิธีกรนี่ถ้าเราจะไปพึ่งใครต้องเป็นทุกคนเด็กๆให้เป็นตั้งแต่หัวท่อคำป้านไปเลยทีให้รู้ไปเลยในนี่ข้อนี้จริยธรรมของโรงเรียนประถมเดี๋ยวจะว่า ปฏิบัติธรรมเก่งเลยตั้งก้งมูไม่เป็นประเคนไม่เป็นรัตนารินไม่เป็นเลยแจ้งเลยนะแจ้งเลยออกแถบไม่เป็นเล่นได้แลยลี่เกออกแถบไม่เป็นเล่นได้นะแล้วบอกเรื่องไม่ดีก็เล่นดีหรือประการได้มีเหตุผลที่น่าฟังตรงนี้เนี่ยเมื่ก่อนเยอะที่นี้เขามาเนะเขามานะเดี๋ยวจะบอกว่าอนุญาตทางตัวโรงเรียนตะสมอะไรเริ่มตอนก่อนก็ต่อไปไงก็เริ่มตอนขวาอย่างหนอไอ้นั่นคุณธรรม ไม่ได้นั่นคุณธรรมไปเอาไมกลางมาตอบไม่ได้ต้องเอาต้องเอาเริ่มตกเดี๋ยวก็นี่หลังไปลองที่ดีนเน่ยเป็นอ้าวอ้าอา น, นี่สองวันเป็นนี่เขาจะให้เป็นนายกวันนี้เขาพู่ถ้าเป็นนายกต่างเลย แล้วก็ไฮยองวิเชียนเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้ได้ต้องเอาพวกเราตั้งให้หมดพวกอดีตประธานต้องตั้งให้หมดเป็นพักอะไรดีนี่พักให้พักให้ให้จะพึ่งเรียกว่าพักให้พักไม่รมมับของใคร่นแน่แปลกไหมพักไม่รับของใครไม่รับเงินรับทองของใครให้อย่างเดียวแต่จําเป็นเลือกเกินเขามีศรัทธาให้มา เราจำเป็นก็ต้องรับฉลองศรัทธาไม่งั้นเป็นอาบัติโทษนี่ขอาเรามีไหมเหตุเนอะอต้องมีไม่เหตุกันสิประเพณีไทยเนี่ยขอจเจริญพรจำเป็นมากมารยาตไทยแผ่นดินแผ่นดินทวดแผ่นดินไทย ถึงจะมาแผ่นดินทำถึงจะมาแผ่นินทองเดี๋ยวนี้ฮิตกันจะแผ่นดินทำดินทองเลิมแผ่นดินทั้งหมดซะละ้อาตมาอยู่มายมสามร้องเพลงได้ร้องมาบ่อยร้องยาวเพอนวันนี้เป็นพระแล้วก็ร้องสั้นหน่อยถ้าไม่เป็นพระจะร้องทั้งคืนเลยใช่ไหมทั้งตีพิบูรลสงครามยกเป็นนามแท้ๆเดี๋ยวใจสั่งอันสูงสุดสุกเราอย่าลื้มมันพรวดของไทย ไปหาผืนแผ่นดินมาให้เราอยู่มาจนแบบนี้คือปู่ยากจะทวดจึงลืมแผ่นดินทวดไม่ได้สองอย่าลืมแผ่ดินไทยเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยอย่าไปที่ข้าศัตรย์อย่าลืมแผ่นดินธรรมต้องมีคุณธรรมอย่างนี้จึงจะเป็นคนไทยแล้วต้องมีคุณธรรมที่ลึกซึ้งจึงเรียกว่าไทยแทย้ไทยที่มาเป็นที่ข้าของใครแล้ว ไม่เป็นที่ฆ่าของคนอื่นไม่เป็นที่ฆ่าของใครไม่เป็นที่ฆ่าของตัวเองคือกีเลสตรงนี้สําคัญมากไม่มีใครคิดนี่เนี่ยกรรมฐานนี่นี่ยไม่ถึงฌานใสเป็นใครแท้เลยเนี่ยข อ, อยฝากว่าการกราบนี่ถือปเป็นมีนิชัยเพิ่มณีนีชัยแต่จําเป็นหรือพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าใครตอบได้ไหมว่ากราบเ็นจานเข้าบดีษเนี่ยกราบไปอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ใครตอบได้ เป็นคำหลวงพุทธเจ้าสอนหรือไม่เอาละอาตมาตอบแทนเพราะว่าโยมตอบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เพราะกรรมฐ า, านเขาห้ามพูดแต่ไปคุยกันตรงโน้นได้กรรมฐ า, านก็ห้ามพูดแต่ไปคุยกันตรงโนนได้จึงไม่พูดตอบอาตมาพูกตั้งแล้วงานพิมพ์ดีนะพูดพูกต้องแล้ ว, นะนะต แ, ลวแต่ ดีใจมากไปคุยกับกงโ น, นเรื่องอะไรกันไปช้าวความหลังอะไรกันก็ไปดู <rí> e> <S <S> เนี่ยผู้เล่นแล้วผู้เล่นล้อเล่นละ่ละล้อเล่นแล้วเป็นจริงอาการกราบเนี่ยเป็นประเพณีไทยแต่ที่องค์สมเด็จตัสงมา พ, พระเจ้าสอนไม่เกิดกราบอย่างนี้พระไตรปิฎกมีแต่เปิดดูได้มาพระพุทธเจ้าสอนนี่สาคนยมสองพันกว่าปียังใช้ดีมาจนบัดนี้ เงิยืนลุกยืนรับถูกข้ามชามาข้าพาเจ้ามายืนพลึกยืนลุกยืนรับยืนคํานับผู้บงังคับบัญช า, าแสดงอุทารนะต่อท่านผู้ใหญ่อย่ายิ่งดูดา่ายนี่นะสกายยกนี่ไม่จะกล้าอย่างผู้เจ้าสอนเวลาเราจะไปประเทศศรีลังกาจะมาไปไปคุมมาแล้วพอพระเดินผ่านนี้โยมเดินพลิกยืนหมดเวลาไปในรถยนต์ ผ่านศรีมหาโพธิ์่าพระบงมธาตนในรถดวงมันยืนเลยยืนทุกยืนชตรงพอผ่านแล้วซาบุกซาบุกซาบุบุกเห็นไหมพี่แรอาจจะมาเดินไปเห็นดงก็นั่งเรียบ น, อ, ยยนอิ้งย่ะดแบบงุกพุก อ, อ, นน อ, อ, าา อ, อุก่ะุกเหุกเฮ่หุกเฮ่หุาเฮ่หกเฮ่หเ่หเฮ่หุกเฮ่หุกเฮ่เฮ่หุ่หนึกเอกหุกเฮ่เฮ่หุกเฮ่หุกเฮเฮ่เ่หเ่ห่หุกเฮุ่กเเ่ เอย่างหนึ่งเนี่เทนินิคเยินลกเยินรับยึงคำนับผู้บงังคับบัญชาแสดงบูธานะต่อท่านผู้ใหญ่ย่านิ่งดูดาผู้ใหญ่มาเยินลกและรับคำนับด้วยแหม่ฝรั่งฟังขึ้นเลยโอเคละโอเคยังไม่พอนะแซงคิวด้วยห็นไหมเห็นชัดไหมแต่ทํทำไมหนอสะแทสีเรื่องกาจิงปราบหลายท่าทิเบตนอนกราบ พี่เดชพี่เบสนอนกราบถ้าเราลองไปเอาแบบพี่เบสมานะเอาลองนะทุกที้นะขอพระผ่านมาเขากราบอย่างนี้เลียกราบดูกราบแบนี้ลองเลยเอาเลยกราบแบบพี่เบสได้ั้ม กราบแบบที่เบ๋เขากราบอย่างนี้ถ้าเราไปกราบอย่างนี้นะนี่ใครละคนลองกราบดูนะขอออถ้าจะเป้นเล ย, เ อ, ยเอารถไปเว้ยไปสีทัญยากันเถอะนี่นี่เหตุผลเนี่ยแล้วจริงกราบอย่างไรเจดทำไมถึงยืนกราบฟังเหตุผล กราตั้งแต่ศีรษะลงมาเ้าครั้งแล้วครั้งที่สามนั่นแบเอาพรเข้ามาไว้ของเขาเขาบอกอภิวาชนาศีลสนิจังวุ ธ, ธาปจายโนโจัตตาโลธรมาวัานติอายุวโนสุขังพละผู้เจ้าบอกผู้ใดจะแลพรต้องอภิวาเป็นนิดอันชลีกรรมอุ้มมือขึ้นมาเป็นดอกบัวโตม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 แล้วเราเราก็จะไปกินที่ไหนล่ะเดาดื่นไหมนะมีเหตุผลที่น่าฟังนะคนจีนเข า, า, ารับไหวไหวจแใจพิษะเขาพึ่งดืนอย่าไปตำหนิเขานะอย่าไปตีตำหนิเขาอาตมาก็คนจีนนะพาะเป็นดองก็เอาหมวยเขาต้องกราบลงพิษะออกมาเลยถูกต้องของเขา คือเรียว่ากราบก้าวท่ายืนกราบแบบที่แล้วสุดท้ายเขาจะแบมือกราบอย่าไปทํำคนน่ะเดี๋ยวไปทําก็มาเอ๊ะดูที่บ้านดีๆกราบจากวัดภวันไม่ไหวอย่างนี้รลอก็กราบจากวัดภวันไม่ยยไหวผิดไปแล้วเย่ยเดี๋ยวสามีบอกเอ๊ะอะไรวะน่ะตั้งแต่ไปวัดอัมพวัน คุณแม่วันนี้ไปทำจะเสียหมดเลยเหรอให้เขาว่าอย่าเกเรการหรือพอ อ, อว้ยยังไงไม่ได้ประเพณีจริงเขาอย่าไปล้อเขาไม่ได้เนี่ยเขาแบมือก็แสดงว่าขั้งสุดท้ายเขาจะได้รับพรมาไว้ในจิตใจของเขาเขาว่าอย่างนี้ <c oughs> แล้วทีนี้เดี๋ยวขอขาฝากไว้เราชวนมลจะได้ทอมกัรไปสอนเด็กนม่ไนะ หนึ่งสองจดน้ผาผากสามตาให้พร้องกันแล้วตื่นมาทำไมหนึ่งสองสามลงค้องกันหนึ่งสองสามลง้องกันแล้วก็ขี่ท้ายแล้วทำ ง, งานขี่ท้ายแล้วก็มาหนึ่ง สองเอาหนีอให้ได้เลยนี่สารอาภัชีจริยา13สามพระประถมเรื่องเบื้องต้นเดี๋วนี่ก่อนเดี๋ยวมบพระตามมาไหนโรงเรียนนี้แต่งงานเดยมาต่างดูสิเสียชื่อเลยนะเสียตักันงไหนะ น, นูอยู่ที่ไหนบอกทครับหลังจากที่รู้ฟังยังฟัอะไรหย <c oughs> อบเลยนี่ไม่ได้นะนี่จำเป็นเรื่องเลยเนี่ยจริยา ศึกษากับการโรงเรียนสะสมพอฝากเขาด้วยแล้วทีนี้อรหังสัมมาเนี่ยจะกราบพร้อมกันเลยบางคนนีขอโทษอรหังสัมมาชบุตธรพระกววาพุทธทางพระกวันตางอภิวาเทมิแค่ <c oughs> ไม่ได้กราบไม่พร้อมกันมันเขาแล้กระ ด, ด, ด, ดกหลุดตูก็กระดกต้องมิพร้อมกันที่เขาค่อยกราบอารหังสัมมาชบุตรพระกววาพุทธทางพ ร, ษษพงระกวันตางอภิวาเท มิแล้วกับกาบแล้วพร้อมกันหมดแต่คนหน้าที่นำนะอหลังสมมาทัพุทโธพระกวาผุ้ทางพระกวางทางอภิวาเทมิอยากราบไว้กาบพร้อมเขานี่พเพราะพวกหมู่ใหญ่ก็ว่าสังขังนะมามิแล้วกับกาบพร้อมเขาถึงจะสวยแต่เรานำเข้าไปกราบก่อนแล้วเข้าไปกาบทีหลังไม่สวยงาเราเอาความปเป็นระเบียบสวยงามด้วย สว่าขาโตพระควตาธมโมธรรมังนมะสามิถ้าเรานำนะเราก็ลงมิท้อมเท้มมาธรรมนมะสามิสุนภาอุณโลมและกราบและพร้อมกันหมดเลยสูไม่กระดกหรอถึงกระดกก็กระดกมีระเบียบสังขังนมามิกราบไป แล้วจะพร้อมกันดีนะเด็กนะอย่าให้สวดมนต์ที่หน้าเสาธงนะบางวันจะเห็นมาเลยชัดเลยจะยังไม่ออกชื่อโรงเรียนเด็กเข้าแถวแล้วขอร้องเพลงชาติชักธงเล้ยเอาล่ะถ้ามาชมรมพักวาพโพชางพังวันทำเพลงเต็มนี้ยหลังๆกนมาไม่ออะไรไปสวดมนต์ทำไมที่หน้าเสาธงน่ะขอฝากขออ่อไปด้วยไม่ควรสวดสวดแค่จะเบียด แล้วก็ฝรั่งมั่งค่าเข้ามาเขาจะตำหนิผิดเพียนว่าเอ้เนี่ยเขาสวดมนต์กันยืนศีรษะเ้าทงเลยแต่ไม่สมควรนี่อาจริยะในปถมศึกษาเบื้องต้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยการไหว้กราบเป็นร ะ, ระเบียบพุทธพุทธก็อเอาตั้งแต่จริยะศึกษากับโรงเรียนชั้นปถมทุกคนต้องเข้ามากราบครับนอกเหนือจากงานรัตนาสินรัตนาธรรมและก็ บูชาพระดิโปรโทษเพียนให้เป็นทุกคนขอฝากท่านทั้งหลาย้ด้วยบางทีตาตั้งตอมูเนี่อาจจะมาไปดูโรงเรียนไปหลายลงเลยนะใช้ไม่ได้เลยนะบางทีแจกันมันกนะ็เงื่อนง่าย่างเงี้ยนี่เสียแล้วเนี่ยถ้าคนผู้รู้เข้ามาเอ้ยเนี่ยอาจยารย์ใหญ่อยู่ไหนเนี่ยมีตาใครอย่างนี้เหรอเสียเลยขอฝากคุณด้วยนะนี่ศาสนาพิธีเป็นเปลือก ที่เราจะดําเนิน ง, งานไปหาแก่นต้องตังให้มันถูกมีระเบียบแล้วห้องจริยะนั้นห้องประทุมนั้นตังปพูพรมให้ฐานะเ ท, าเท่าเทียมกันที่พระพุทธเจ้าของเราประทับดูนณที่นี้ไม่ใช่เอาพระไปสร้างไว้หน้าโรงเรียนเนี่ยเอาโต๊ะไปสร้างไปปราประทุมนั้นนะยาเนี่ยขอินถบาทเถอะไม่สมพระเกียรพระพุทธเจ้าเลยถ้าท่านมีพระบรมาาธาตุนะลองเอาไปสร้างวางไว้นี้หมดเลย ถ้าบ้านไหนมีพระบรมมาาุนะตั้งไว้สวยงามนะแล้วไม่ให้เด็กไปเล่นแล้ ว, วนนท่านไปสวดมนต์เพราะาตุเสด็จมันเยอะหมดเป็นบาปเลยใ น, ะนเรื่องจริงที่จะมาไม่เคยเชื่อมาต้องเชื่อในบานเทือกุงเก็ตปต่คคปลูกศิษสมเด็จพระสังฆราชยามชงวอนพระทาตมาทุกพระองค์เลยในบาป ท, ที่บ้านเขาเป็นหมดแจ๊กเหมือนกีนแท้มาเดี๋ยมีกระถาสุกรอกแต่เขามีจิตประดุษฝนเพราะวายกรบุญเขา พระธาตมาลงมีาารมพระสาลีบุตรในพมกขลาในเรื่องจริงเลยในหลวงยังต้องมาขอพระธาตุที่นี่นะบัญยมทองดีเนีอยู่ฝั่งธนบุรีก็มาบอกบ้านได้เลยสองคนัวเมียเนี่ยอยากจนมีบรมธาตุสวดมนต์ไหว้พระรวยมหาศาลเนี่ยรวยจริงๆน ะ, สะเสด็จมาได้เรียกว่าบริสุทธิ์แต่ใครถามบอกว่าบ้บานโยมมีพระบริสุทธิ์ไหมพ่อตอบให้ได้เลยนะบอกพระบริสุทธิ์มีอันเดียวคือพระบรมธาตุ ถ้าเรื่งองแรงของสลางพาะทรงเหลืี่ยมใหไม้ ใ, ใบสุดก็พระบรมสาลีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเจงเรียกว่าพระบริสุทธิ์ฝากไปด้วยเอาไว้เป็นคําคิดมีด้วยถ้าใครมีระบรมชาตินะงอปได้มานะขอสา ม, มามาเยอะอยากจะได้ยังไม่นะแต่ก็ยังไม่ให้เดี๋ยวนี้เราต้องทํากรรมฐานได้ถ้าทํากรรมฐานให้ได้ให้แน่ให้แน่เลย การใจหน่อยนะโยมถ้าทำกรรมฐานได้แล้เทวดามาช่วยบรรโยมเยอะเลยเทวดาช ว, วนสวดมนต์เยอะนะมีเรื่องจินที่ส่วนี่กุลนี่เนี่ยมาชวนแมชีสวดมนต์เนี่ยดูยุถึงเก้าสิเจ็ดปีที่วัด น, นี้มาใช้เรื่องเล่นกันขอขอฝากไว้นี่อันนี้เราก็จะมาพูดตามแนวแนวญาติโยมว่าจริยะทํากับโรงเรียนมาผัดผมเริ่มต้นสวดมนต์ไหวพระอาจาแล้วว่าให้มีระเบียบว่า ย, ยังไงว่าผู้ใหญ่ย่างไง แล้วไปกราบพระกราบยังไงไหวพ่อแม่ขีดครั้งถ้าจะเอาเหตุผลมาสู้กันไหวพ่อแม่ต้องสามครั้งเพราะพ่อแม่เป็นพระครูเป็นพระทำได้ไหมได้าจงไหวสามครั้งบางทีครูบางโรงเรียนเนี่ยไม่สอนจะมาไปรับฟังไอ้าันเดียวไหวครูวนเดียวไหวพ่อแม่วันเดียวไหวพระพุทธรูปไหวสามสอนผิดไม่ถูกจดครูก็เป็นพระเนี่ยครูเนี่ยที่นั่งนเนี่ยเป็นรองจากพระสงฆ์ลงไปเนี่ย เห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยไหมอาตมาเป็นประสงค์แปลว่าครูรองจากอาตมาก็คือโยมทั้งหมดนี้เป็นประสงค์เป็นครูของประชาชนกุลบุตรดาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นก็ตามถือว่าเป็นพระครูนี่ครูแต่รองจากอาตมาก็พวกท่านทั้งหลายนี่เองต้องกราบสามหนครูรักครูจำครูแนะครูนำครูข้างครูสอน นี่ต้องเอาไปเข้าในจริยะเด็กทั้นปผดุมด้วยไหว้ครูทําไมหนุูดอกมะเขือดอกอะไรวันพฤหัสต้องอธิบายฝั่งเข้าในหลักสูตรจริยะด้วยพระพุทธธรรมประสงค์ต้องเขา้าพระพุทธพระธรรมประสงค์บิ ด, ดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายต้องเข้าในจริยะนี้ ท, าาท่าไม่ใช่นิยะทั้นประมุมศึกษาเนี ทางตอให้ถูกเลยเอานี้ไปเป็นหลักแล้วก็ไปวิจัยและประเมินผลเป็นวิชาการต่อไปออนี่ขอขอฝาท่านทั้งหลายไว้ด้วยทีม่มีเหตุผลที่น่าฟังหลายจะติดประเด็นอันนี้ต่างตัอหมู่สําคัญมากมันมีหมู่ห้าหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้าหรือหมู่เหมาะสมมันไม่มีอะไรระดับสองมีนะคะหนึ่งไม่พอเอาระดับสองสองมันมีระดับสามสามไม่มีเอาสีแทนมันก็มีหนึ่งสองสาสี่ เอามาแทนได้เอาที่ปักทูไปไม่มีปักทูไปไม่บีเอ๊ะเอาที่ไหนเหลียวซ้ายแล่วขวาเอาเดี๋ยนี้เลยเอาแกว้วกระดาษขอร้องหน่อยเดียวอย่าเอากระโถน <c oughs> บางโรงเรียนเนี่ยแต่มาไปเห็นแลกระโถนเป็นทองเหลืองสวย <c oughs> เขามีลายทองนะกระโถนนะกระถงตัดแรเป็นทองเหลืองสวยมาก <c oughs> แล้วบอกเอ๊ะอะไรว้เนี่ยสวยดีเขาเอามาปักทูปแล้วครูเขามาไหว้กันถามบอกครู อะไรเนี่ยโอโหแจกแจกันครับแจกการที่ไหนลกนระโถนมันเป็นของเก่าไม่ได้จะสวยงามจะเป็นทองคําก็เอาไม่เหมาะสมในการตักทูบเพื่อเป็นกระโถนนี่อย่างนี้อย่างหนึ่งขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยอย่าทำแนวปฏิกิจะ ก, กรรมที่เสียหายเนี่ยอมาไปเห็นหลายโรงเรียนบางวัดด้วยนะสลาวัดนี่ซะด้วยพี่กระโถนปาแปลมนเป็นไอ้ทองเหลือง เขาขัดกสวยเหมือนไอ้ปากแกลไอ้แต๊ะเป่าอ่ะมันสูงดีด้วยแต่กระโ ถ, ถนสูงในทองพะโลงอะไรแบบนั้นเอามาปากทูแล้วสวยเลยถามสมภานบอกนี่อะไรครับโอ้โห و! ของเก่าก็หลวงพ่อโอ้โห و! เก่าแก่มากเลยเช่าวไว้หมื่นหนึ่งท่ารู้ไม่อะไรเนี่ยมันบอกว่าของเก่าโล้แพ่ของเก่าถูกต้องของเก่าเขาใช้อะไรเขาใช้อะไรไม่รู้ ก็ท่านมาได้นั่งกรรมฐานท่านนักรรมฐานก็เห็นหนาะระลึลกได้ว่าอันนี้อะไรสติมันจะบอกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชปากแย่เนี่ยกระโจนใช่ตรงไหนสัมปชัญญะสัมปชัญญะมันจะบอกว่าไม่เหมาะสมที่มาปักทูบนี่กรรมฐานได้ประโยคเห็นไหมต้องเอาไปนอนเป็นกระโจนนอนแต่เป็นของเก่าต้องรับคนแก่เสือเก่ารับ มุกอามาตย์จะบริฐานรับให้สุขฐานะคองแขกคือของเก่ามันจะมาตั้งงานสเด็ไปไม่มีที่ตั้งของนี้ดีกระแค่ไหนทํำไมนั่งกรรมฐานของดีพาไปวางตรงโน้ของของตรงโน้ไปวางตรงนี้ไม่เหมาะสมในการหน้าที่และการงานของตอนนี่คือกรรมฐานเช่นเดียวกันขอจเจริญพรอย่างนั้นว้างไม่เหมาะสมยิ่งนั่งไม่ถูกทางด้วยไม่ถูกที่ทําความดีไม่ถูกทางก็ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกัน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 ขอแนะนำว่าเด็กจริยธรรมสะสมมาศึกษาควรสารนาพิธีต้องเรียกมาสอนขอฝากคณาจารย์ไว้ด้วยอย่าลืมข้อนี้ไม่ไดะไม่งั้นเด็กไม่มีประตูเข้าถึงพุทธธรรมเข้าพุทธธรรมเนี่ยมันต้องเข้าทั้งนี้ทางสารนาพิธีก่อนเราจะไปเข้าทางแก่นต้องมีสารนาพิธีมีพระพุทธรูปบูชาให้เห็นเรียกว่ารูปธรรมพอเห็นพระพุทธรูปเข้าสวยงามกราบเลลูกเลย อรหังสำมาพ ธ, ธพุทโชภคะวาแล้วก็อาจจะแปลฟังอรหังใส่หัวใส่เกลียดนี่คือพุจาบุธโธอ๋อตื่นแล้วตื่นแล้วเบิดมาแล้วสวยงม า, วยวามไม่ปรมาทด้วยความบริสุทธิ์เช่นนี้แนะคือพุทโธอ๋อมันจะเข้าไปถึงนมามธรรมตั้งแต่เปลือกไปหาแก่นอย่างที่กล่าวมาอันนี้เหตุผลของการศึกษาของเด็กอขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยอย่างนี้เนะี่ยและอย่าลืมว่าลัคนาศีลลัคนาธรรม แล้วทีนี้ตอนงเรียนเลิกขาจะเชื่อจัมานะชาเนะะนช้าเย็นหลักธนาศิลป์เนี่ต่อว่าไปด้วยเลยไอเด็กว่าไปหลักธนาศิลแล้วว่าศิลป์องศิลป์ไปด้วยจบแล้วกลับบ้านตอนเย็นก็ว่าอีกรับรองมันจะซึ้งไปซึ้งไ ป, งไปคล่องปากแล้วก็คล่องใจพอคล้องใจแล้วก็เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิเกิดสติปัญญาเกิดความสามารถขึ้นมาในโอกาสต่อไปเขาก็อาถารพสารชัยในวิธีปฏิบัติในคุณธรรมของเขา เกิดขึ้นโดยวิธีนี้ประการหนึ่งอันนี้เป็นที่มาของพุทที่จะต้องเข้าถึงพุทธธรรมต้องเข้าในดานดาโลกประทัมก่อนเห็นโลกสวยงามก็น่าไหวหน่ากราบน่าทักนาชมและจิตใจก็น้อมก็ไปหาคุณพระเจักรพรต่างนโมสามจบนี่เริ่มต้นนะแล้วขอฝากท่านไปนแนวเด็กว่านโมทุนร่วงนโมทุนหลักนโมทุนอุปถ ร, รมสามอย่างนี้เด็กจะเข้าใจ นโมเหมือนแบนโลแกล้วหนูคุณทองไปก่อนนอโมทุนร่วมหนูทําให้คนมารวมกันนะ่ะส่องวายเขานะต่องอ่อนน้อมทอมต้นปากหวานตัวอ่อนมือเป็นหมอนแตก่อนนะลูกนะไปลา ม, มาว่านี่ต้องเข้าทางนี้อีกอย่างนึงเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะเข้าถึงพุทธธรรมในสัพพุทธศาสนาดา้เรียกว่าพุทธธรรมนโมทุนร่วมไปไหว้ต า, ค, าคุณโน้นเข้าเชิญคุณโน้นเชิญคุณนี้เขาเ้าก็ทําให้คนมาร่วมงานกัน นโมทุนหลักสําคัญมากที่จะเข้าถึงพุทธธรรมได้นโมทุนหลักคือนโมท่อนกลางสอนเด็กให้ง่ายเด็กจะเข้าใจได้ง่ายบอกหนูว่าขั้งที่สองเนี่ยเหมือนดูหนังสือสองพระอธิบายในจริยธรรมให้คุณธรรมไปด้วยโดยการศรรึกษาของเด็กจะเป็นคุณธรรมประเสริฐที่สุดขอสองเรียกว่านาโมทุนหลักหนูถ้ามีนโมท่อนสองเป็นหลักใจของหนูได้เป็นนโยบายจิตสงบแนละ้ว จะมีคนอุปถัมภ์หนูเรียนหนังสือเป็นดอกเตอร์ได้เราก็มีนโยบายคนสโรบายสอนเด็กต่อไปนี่อย่างหนึง่งนโมทุนหลักคืออะไรถ้าว่าเป็นภาษาภาษาไทยง่ายๆก็ได้คือ <c oughs> นอบนอบ ก, กระตันดูเชื่อชูระเบียบเพียบโด ว, วินายหนูจงตั้งใจศึกษานามาคนทุกเป็นสุขอนันต์เป็นหลักสำคัญคุณหนูจําส่ใจ นี่กตัญยูกตัวเวทีนี้เองแล้วก็อาจแยกอธิบายไปแยกออกไปเลยนี่รู้พระคุณ้องท่านคู้มีคุณมีพ่อแม่มีครูบาอาจารย์มีนโมทุนหลักที่จะเข้าถึงพุทธธรรมได้หนเมื่อเข้ามาถึงหลักสองปรองดองกันดีแล้วหนูจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยทุนเสริมสมองและช่วยทุนการศึกษาหนูไปไหนไปลา ม, มาไาวไปเจอคนแก่คนข่าวหวกราบนมัตการ แล้วก็ไหว้ทอแม่สามครั้งมาโรงเรียนนี่การิยะข้อตดธโมสามครั้งมีความหมายนี้ใช่น้อยนี่เอานี้ได้ผลนะเน่เดอะตามาทำมันได้ผลหนูไปโรงเรียนไหว้ทอแม่สามคนเพราะเด็กมีสอนง่ายกับคนแกสอนง่ายกับผู้ใหญ่ใครเห็นด้วยหรือไม่ถ้าสอนยากสุดมีสี่ประเภทท่านทั้งหลายอย่ากโกรธอะตามาอนะตามาด้วยหนึ่งคือพระ สอนยากสุดที่นี่มาอบรมที่นี่อุปชาเจ้าคุณเยอะฮะละัลโหลชาวบ้านเขาได้ยินทักวันจนไม่ออกเสียงนี่เสียงนี้ไม่ออกหลวงพ่ออบรมพระมันถึงเรียกบ่อยแน่แน่ชาวบ้านรูเ้เลยเลยญาติจำลาชาวบ้านถ้าเรียกบ่อยต้องอบรมพะฮะละัลโหลอนี่มนต์เจ้าค่ะพระเดชคุณพุทยากรมาคอยแล้วเจ้าคุณทำอานิเทศมาคอยแล้วนี่มนต์หน่อย ปายามเดินไม่รู้ไม่ชิ้เดินไม่รู้ไม่ชี้แถมนกเราหนีไปหมดเลยแล้วก่อนนี้นกคือวัดนี้เยอะหมดประชุมพระตอนนั้นนกหนีหมดเลยนกบอกเฮ้ย hey, พ้าวัดเราไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเว้ยนกมันพูดกันเออพระวัดเราไม่เหมือนเมื่อก่อนเว้ยไอ้ตัวหนึ่งมันเป็นตัวมีฉลาดเฮ้ย hey, ข้าดูแล้วไม่ใช่พระวัดนี้เว้ยนกนกนี่นอ ก, ก, กเอี้ยงนะนี่หนีไปหมดแล้ว หนีจะอยู่จังหวัดแพร่หมดแล้วนี่เรื่องกึ้งนี่เคาะข้อที่จริงนี่จับวิจัยประเมินผลได้ประเมินผลได้ออกมาอย่างนี้ประเมินดีนะเลยก็โยงหนึ่งเดินบอกมูลที่ครับเขามาไห่เป็นไรแลถือกันเองนี่ถือกันเองวิทยากรก็พวกเราไม่เป็นไรวิทยากรก็พวกเรา ก็เชื่อบริยงไปเชียนที่ไอ้พวกเราให้เกลายาครูของเราเองเมืเ่อไหลาก็หลาย น, นี่สิไอตรงนี้สิไอตรงนี้สิไอตรงนี้พูดเล่นแล้วจริงซะด้วยระดับสองจะว่าจะมานะครหละดับสองคือว่าตะกี้นี่ยจะมาโดนด้วยนะไม่ใช่โยมพนะราะรู้แล้วไม่คอยทำ ไม่รู้ไม่ท้าแอ่างนี้ยังเขาเล่เาลครูไม่ทำนะยังเอาอย่างครูสิฉันสอนเธออย่าปากแข็งแท้ยังเอาอย่างครูเอาอย่างที่สอนแค่เอาอย่างที่สอนแท้จะมาเอาอย่างครูได้เอเอาอย่างที่สอนที่จะใจเลยเนี่ยเอาครูยังทำอย่ายปากจัดนะฉันก็ม่คะแนนเธอตบ ตกเลยตกเลยอย่าไปเถียงครูไปบอกไม่ได้เชียวครูว่ายังไงเจ้าข่าเจ้าข่าครับครับผมว่าอย่าลวมไม่ใยนะถ้าหลวมไม่แย่เลยในเรื่องจริงพอเห็นด้วยองไหมน่ะมีพยานพอจะเหนียมเห็นด้ื่องไหมเออมีพวกแหละเ <ST. S 1> จ้าข่าแมา่แพทยดีเหลือเกินเจ้าข่า แอดดีเพราะดีเจ้าค้าเ อ, อวาองก็มีด้วยเปล่าตาสนีโอ๊ยวันนี้ซึมแค่เรื่องไรจำไม่ยายหรือจำไม่ยายใช่ไหเนี่เห็นพวกนี้เป็นคนแก่แบบนี้ออดระถังออดระถังก็งลาพังไปหลายหลังมาจาทางเหนือใต้นี่ประเภทคนแก่แบบนี้แต่ไม่หมายความว่าคนแก่อยู่ที่นี่คนแก่ที่โ น, น่น เดี๋ยวเราหาว่ า, วาความแก่นี่เรื่องจริงที่ผ่านแล้วมีเหตุผลอีข้อหนึ่งคือเด็กอมมืออมมือแล้วแม่เอาไหนเลยฟังให้ดีจะไปลูกกตาวขาอย่าให้อมมือนะอมมือไม่ควรเอาไหนมันอมมือเรื่อยอย่าดูดมือเรื่อยเดี๋ยวาหนูอย่าดูดมือลูกไอ้อย่างนี้อันดับนี่อันดับดูดมืออย่าให้ลูกดูดมือนะเสียหมดโตขึ้นมาใช่ไม่ขยัน อันนี้เหตุผลในการศึกวิทยาในการลเอเียดเหมือนกัน <c oughs> นี่เนะแนวเบื้องต้นนะโลกเวลาจํญญากัดจะเล่าเรื่องประมาทันต่อไปเนี่ยแนแนวสําหรับปฐมมาศึกษาถ้าคืนมัธยมแล้วก็คือเรื่องเดียวกันนี่เนี่ยแต่แนะแนวคนละอย่างให้ลึกซึ้งเข้าไปชั้นปฐมมันหยาบมัธยมต้องเรื่องเดียวนี้แต่ให้มันซึ้งเข้าไปให้ละเอียดพ่อบขึ้นไป ถึงหมหายายก็ให้ละเอียดเข้าไปถึงสูงขั้นสูงสุดก็แบบอยูกก่กัรไม่มีปัญหาอื่นแต่ประการใดแต่ขอเจริญพรต่อไปว่าการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาของโรงเรียนนี้ก็พยายามชักนำเด็กเข้าสานาพิธีการรัตนาศินรัฒนาธรรมขอกรุณนาะให้ขว่าเด็กเป็นทุกคนให้อาหารเวลามีงานผู้ใหญ่ไม่มีเด็กจะได้ไปรัตนาศีลรัตนาธรรม และรับสินกับพระว่าให้มันดังว่าให้ดังทีเดียวมันจะได้ฟังชัดแต่การรับศาสนาศินเนี่ยว่าให้ดังคือปวงชนแห่งคนทั่วไปแต่ในราชการเขาไม่ว่าดังเช่นรัสนาศินไม่มีการบูชาพระในราชการอีกอย่างหนึ่งนะมันแยกประเภทไปจะไม่ขอกล่าวถึงราชการทาไปในหลวงเสด็จแค่อีกอย่างหนึ่งอีกเอะจะไปว่าไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น มีความแยกประเภทไปหลายอย่างแต่จะไม่ขออา ธ, าธิบายให้ช่างฟังแต่ทา่านคงรู้แล้วอันนี้แยกประเภทมดอันนี้ก็ลัค น, ศนะศิลปลัคนธรรมเป็นแล้วก็ต้องอธิบายว่าหนูเข้าถึงพุญธรรมคือลัคนาตก่ต้องอธิบายนี่เลยช่างทั้งหลายผู้เป็นผู้ชายเนีที่บวชนะก็ตว่าเอสาหังคือข้าพระเจ้าขอถึงลัตนาตก่มีพระพุทธเจ้าประทับประจาวส่์พระเจ้าเป็นที่พึ่งก็ประจาวตลอชีวิตนี่ต้องเข้าตรงนี้ นี่จริยะคอบต้นเชี่ยต้องเข้าถึงลัตนาไตรให้ได้แล้ววิธีสอนต้องแยกออกประเภทให้สอนเด็กเข้าจพระพุทธเจ้าสุขัขยจะไปบอกเจ้าชายศิษขาอันนี้เป็นชื่อของด้านที่ท่านทรงเป็นพ ร, ร, ระมหากษัตริย์ต้องพระพุทธเจ้าคือสมเด็จมรคนพระโพธิ ญ, ญาติเหน่งความยากเหนือทวรารกายสั่งสอนประชาชนตาช่างข้างทางเดินทั้งคู่คือต้อนลังมือปางมีผ่าน ในเรียบพุทธเจ้าต้องสอนเด็กเล็กอย่างหนึ่งเด็กใหญ่อย่างในึ่งและอาธาิบายให้เด็กเข้าใจตามฐานะของเด็กที่พอจะฟังและเข้าใจได้ต้องเปรียบเทียบและยกตัวอย่างให้เห็นด้วยถึงจะเข้าใจทั้งด้านรูปธรรมนามธรรมไปด้วยอันนี้มีความหมายเจาพุทธเจ้ า, ามีคุณค่าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็เห็นจ้ามาสอนทิบายคือปัญญาคุณเราวิสุทธิคุณมหาคุณอาตคุ ณ, คณแล้วก็ทางอาจารย์ก็แยกบรรยายปัญญาทางฝั่ง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 ภาวนาก็ได้แกะดูหนังสือเป็นภาวนาให้มันจําแม่งสวดมนต์ไหว้พระเปรียบว่าภาวนาให้มันมีสติปัญญาแล้วก็ น, นั่งสมาธิดองเพ้นจิตภาวนาออกไปแยกประเภทสองประการง่ายๆก่อนและจิตหนูจะบริสุทธิ์ชิดคุณของพระพุทธเจ้าจะไม่โกหกมดเท็จจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดโกเทียจะไม่พูดคําหยาบจะไม่พูดเพ้อเจอจะไม่พูด เ, อดเลอะเหมือนเทีเ่ยวจะเลี่ยวรถคดเชี่ยวแจกประการใดก็อธิบายออกมา ขัดเกงคือคุณปฏินันท์สงยไวสุดแล้วก็ะจะไม่มีเมตตาคุณหนูจะไม่ขาสัตว์หนูจะไม่ใจดำอมิหิเทียโมโหชารุนดูร้ายขาดาสตร์ตัวเป็นให้จำตายเป็นบาปเป็นกรรมนะคุณหนูนะนี่คือพระหมหากรุณาธิคุณของพุทธเจา้านี่ต้องเข้าทาั้งนี้ด่าแม่แนแวเด็กให้นี่เข้าเข้ า, ขาทั้งนี้ด่ะไม่งั้นจะผิดทางนะนี่คือรัตนารัยทำทั้งหลายผู้เป็นชายจะบวชหน้าในบวชท่านจะไปบวชของท่านเองท่าจะกล่าวคํานี้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 แล้วเราปฏิบัติชินก็ ว, ว่ากันไปพุทธังสระนางจช า, ามีธรรมังพระนางจชามีทั้งทางพระนางจชามีนับพิเมสรนางอันยากุโฑทมโมเมตั้งโคเมสรนางวลงังเอเสนาสัตวเ์เจวะเจนาโหตุเจฉยมังคลงังที่พึ่องอื่นไม่มีผีกระเจ้าไปพึ่พึ่งไม่ได้เท่านั้นใจเท่านั้นเป็นที่พึ่งได้ก็อธิบายไปเป็ขอ้อข้อนี่การเข้าชริยธรรมของเด็กเมื่อตอนต่อตอธิบายให้มันถูกต้องและเหตุผลที่เด็กฟังขึ้น ไม่ใช่ต่อธิบายเด็กไม่รู้เรื่องก็งให้เด็กเข้าใจเดี๋ยวถ้าอาจารย์ใหญ่จะเข้าใจผิดคิดว่าเด็กครูปรรจุใหม่ให้สอนชิ้นทำไม่อย่าสอนชิ้นทำแต่สอนง่ายนะต้องทําได้ด้วยนะต้องทําได้นะอาตมาได้ยินข่าวเล่าลือจากโรงเรียนมากเอาครูใหออม่สอนชิ้นทำไปสอนชิ้นทำไปเห็นชิ้นทำเป็นอะไรไปได้